ตอนที่31อ็ก่อเรื่องอะไรอีกแล้วล่ะพ่อบ้านเดินออกมาแจ้งด้วยตัวเองท่านอองหวังเฟยและแม่นางชิงจือต่างก็ไม่อยู่หากแม่นางเย่มีทุระอันใดาสามารถฝากความไว้ได้บ่าวชาราผู้นี้จะช่วยเรียนต่อให้เองเย่เยาขมวดคิ้วไม่อยู่กันหมดเลยหรือทั้งเหลียนเจียนและป่ายลู่ต่างก็รู้ดีว่าเมื่อครูเซียชิงจือเพิ่งจะหนีเตลิดกลับมาด้วยเกี้ยวไม่มีทางที่จะช้าไปกว่าพวกนางได้แน่ และในเมื่อถูกทําให้ตกใจกลัวถึงเพียงนั้นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กลับจนอองแลไปที่อื่นความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือจงใจไม่พบและจงใจให้เย่ยาต้องกินให้กลับไปเฮ่ยเฮ่คนในจนอองนี่ช่างใจแคบเสียจริงเย่ยายังคิดว่าจะได้มาดูเรื่องสนุกเสียหน่อยดูถ้าคงจะไม่ได้ดูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องสนุกนี้อย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีจะช้าหรือเร็วเท่านั้น สายลมพัดผ่านชายกระโปรงของเย่เยาผิวไหวกระดิ่งลมที่เขาหยุดตรงเอวส่งเสียงสายกระจ่างไพระออกมาภายในสวนของจวนอ๋องซึ่งมีเพียงกำแพงก้นหลินเซินกำลังถือครุยยกเขาฝึกยุติอยู่เสียงกระดิ่งลมบ้าเข้าหูสีหน้าของเขาพลันเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงก่อนจะหมุนตัวลงสู่พื้นแล้ตะโกนลัน่นนั่นใครเขาทะยานร่างมุ่งหน้าไปยังประตูใหญ่ทันทีและสวนเข้ากับพ่อบ้านที่รีบวิ่งมาตามเสียงตะโกนของเขาพอดีซื่อจื่อเกิดอะไรขึ้นขอรับ ลินเซอรไม่เสียเวลาตอบเขาผลักพ่อบ้านออกแล้วพุ่งพรวดออกไปนอกประตูจวนอองทันทีทว่าด้านนอกกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนเขาเดินไปยังกำแพงสวนที่เขาใช้ฝึกยุทธเมื่อครู่แต่ก็ยังไม่เห็นใครลินเซอร์ขมวดคิ้วมุ่นหรือว่าเขาจะหูฝาดไปเองแต่เสียงกระดิ่งนั้นเสียงกระดิ่งนั้นสลักลึกอยู่ในใจของเขามานานถึงสิปีแล้วยามฝันกลางดึกเขามักจะหวนนึกถึงมันอยู่บ่อยครั้งหรือว่าเขาจะหูว่าไปจริงๆ เขามองไปรอบๆ อ, อีกครั้งเมื่อไม่เห็นใครจริงๆหลินเซินจึงหันกลับมาด้วยความสงสัยขณะที่พ่อบ้านก็รีบตามมาติดๆหลินเซินรีถามเมื่อครู่ใครมาที่นี่แววตาของพ่อบ้านฉายแววลังเลวูบหนึ่งก่อนจะก้มตาลงแล้วสายหน้าอย่างขัดต่อความจริงไม่มีใครมาขอรับหลินเซินจึงทำได้เพียงคิดว่าตนเองหูฝาดไปจริงๆเขาเดินกลับเข้าประตูใหญ่ไปด้วยความหมงุดหงิด พ่อบ้านชะลอฝีเท้าลงรอจนหลิงเซินเดินไปไกลแล้วจึงส่งสายตาให้คนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูพยักหน้ายอย่างเข้าใจพ่อบ้านจึงค่อยเดินกลับเข้าไปวันนี้หลิงเซินคงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเย่เยาเคยมาที่นี่ที่ถนนถัดไปเย่เยาเดินจ้ามอ้าวอย่างรวดเร็วจนสาวใช้ทั้งสองคนต้องวิ่งตามจนหอบแหกคุณหนูท่านจะรีบวิ่งไปยี่เจ้าคะจี้หยกยังไม่ได้คืนเลยนะเจ้ากะเย่เยาหอบหายใจเมื่อครูพวกเจ้าไม่ได้ยินหรือ ลินเซนคนนั้นอยู่ที่นั่นสาวใช้ทั้งสองยิ่งไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่ซื้อจะอยู่ก็ยิ่งดีไม่ใช่หรือเจ้าคะจะได้มอบจี้หยกให้เขาช่วยส่งต่อให้แม่นางเซี่ยชิงจีอ ย, อย่างไรแล้วเจ้าคะมุมปากของเย่โยกระตกนางเยี้ยไปครู่หนึ่งก่อนจะเ อ, อ่ยอย่างรำคาญใจข้าไม่อยากเจอเขาวันหน้ายังมีโอกาสคืนจี้หยกในเมื่อคนเขาไม่อยากพบก็กลับกันเถอะสองสาวใช้ได้แต่แบมืออย่างจนใจ ใจของคุณหนูนี่นับวนจะยิ่งเดายากขึ้นทุกทีหลินเซินไม่มีกะจิตกระใจจะฝึกยุดต่อแล้วขณะเดินผ่านเรือนของหวางเฟยเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้ของเซี่ยชิงจือเมื่อเข้าไปได้นใก็เห็นเซี่ยชิงจือซบหน้าลงบนไหล่ของหวางเฟยร้รองให้เสือึกเสือื่นจนผ้าคลุมหน้าเปียกชุ่มไปหมดส่วนหวางเฟยก็คอยตำหนิเย่เย่าเพื่อปลอบประโลมนาวนั่งเด็กตระกูลเย่ยคนนั้นแม่ตายแต่เด็กข้าวว่านางคงขาดการอบรมสั่งสอนชิงจือเจ้าอย่าได้เก็บคําพูดของนางมาใส่ใจเลย นังเด็กนั่นข้าก็เคยเห็นไม่กี่ครั้งตอนเด็กๆ ก, ก็สลเหลือเกินไม่นึกเลยว่าโตมาจะไร้มารยาทถึงเพียงนี้เจ้าไปเผชิญหน้ากับนางอย่างไรเสียเจ้าก็เสียเปรียบแล้วเจ้าจะไปหาเรื่องนางทําไมกันเรื่องทางฝั่งท่าน อ, องก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรต่อให้พวกขุนนางจะเขียนดีกายอย่างไรฝาบาทก็ยังต้องเห็นแก่ความเป็นพี่น้องอยู่ดีเจ้าเด็กคนนี้ฉันโม่เขาวนักถึงกับยอมไปอ้อนวอนนั่งเด็กนั่นเพื่อท่านอองจริงๆไม่เสียแรงที่ท่าน อ, องเอ็นดูเจ้า เสี้ยชิงจือไม่พูดจาเอาแต่ร้องให้อย่างเดียวจนกระทั่งหลินเซินเดินเร็วๆเข้ามาเจ้าไปหาเย่เยามาจริงๆหรือเสี้ยชิงจือเงยหน้าขึ้นจากอ้อมกอดของหวางเฟยมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดเป็นการยอมรับโดยในหัวใจของหลินเซินกระตุกกู่เจ้าไปก่อเรื่องอะไรอีกแล้วละ่ะนางไม่เป็นไรใช่ไหมเสี้ยชิงจือเงยหน้าขึ้นทันควันมองเขาด้วยสายตาซศร้าส้อยในสายตาของพี่เซินข้าเป็นตัวก่อเรื่องหรือเป็นตัวซวยกันแน่ พอเจอคนตระกูลเย่แล้วข้าจะต้องไปทําร้ายพวกเขาหรืออย่างไรหลินเซินนิ่งเงียบพี่เซินเข้ามาถึงก็ถามว่านางเป็นอะไรไหมตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พี่เซินให้ความสําคัญกับนางถึงเทียงนี้หลินเซินยิ่งพูดไม่ออกเขาขามวดคิ้วมุ่นเขาให้ความสําคัญกับเย่เยาหรือเขาแค่รู้สึกไปเองตามสัญชาตญาณคิดว่านางถูกเสี้ยชิงจือก่อเรื่องจนพลอยเดือดร้อนไปด้วยจะได้รับบาดเจ็บหรือไม่นี่เรียกว่าให้ความสําคัญหรือ เซี่ยชิงจือมองเห็นความลังเล ข, ของเขาน้ําตาก็ร่วงเพาะลงมาอีกครั้งพี่เซินหรือว่าท่านจะ่ะรักนางเข้าแล้วจริงๆเซี่ยชิงจือไม่กล้าพูดคํานั้นออกมาแต่ใครๆก็ดูออกหวังเฟยเองก็ใจหายว่าปรีตําหนิหลินเซินตามน้ําไปเซินเอ๋อเจ้าเป็นอะไรไปชิงจือไปหาหนางเด็กนั่นก็เพื่อท่านอองนะตอนนี้ชิงจือถูกนางเด็กนั่นเย่อเยยถักถางทําไมเจ้ากลับไปเข้าข้างนางเด็กนั่นเสียเล่า ถึงแม้เจ้าจะทูลขอราชองค์การพระราชทานสมรสด้วยตัวเองและข้าก็ไม่คัดค้านที่นางเด็กน่านจะแต่งเข้าจวนอองแต่เจ้าจะทอดทิ้งชิงจือเพราะเหตุนี้ไม่ได้ข้าปักใจเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วว่านางคือลูกสะใภ้ของข้าหลายปีมานี้เจ้าก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของนางดีฐานะของเจ้าไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปซื่อจื่อเฟยจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่ชิงจือต้องเป็นพระชายารองของเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลิงเซินก็สะดุ้งสุดตัว เขาเอนดูเชี่ยชิงจือมาตั้งแต่เด็กก็จริงแต่เขามองนางเป็นเพียงน้องสาวไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องแต่งงานกับนางภรรยาของบุรุษมีเพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วเหมือนเช่นสินอองที่มีเพียงหวังเฟยคนเดียวเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องแต่งคนอื่นเพิ่มตั้งแต่วินาทีที่เข้าวังไปทูลขอราชโองการพระราชทานสมรสเขาก็ปักใจเชื่อแล้วว่าคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตมีเพียงเย่เยาคนเดียวแต่ที่แท้ในใจของหวังเฟยกลับกําหนดให้เซี่ยชิงจือเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตเสียแล้ว น้องสาวจะแต่งงานกับเขาได้อย่างไรจะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตได้อย่างไรเขาไม่อาจยอมรับได้แต่หวังเฟยคือมารดาผู้ให้กําเนิดชั่วขณะนั้นเขาจะไม่อาจโต้แย้งได้หลิงเซิน เ, นเม้มปากนิง่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาลงมากเย่เยานิสัยแข็งกล้านางอาจไม่ได้ตั้งใจจะเย้ยเย้ชิงจือก็ได้อีกอย่างท่านแม่เองก็เป็นคนสนับสนุนให้ชิงจือไปหานางถือเสียว่าเป็นบทเรียนอีกครั้งแล้วกัน หวังเฟยได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจทันทีเอเจ้านี่ทําไมถึงเอาแต่เข้าข้างคนนอกอยู่เรื่อยชิงจือร้องให้หนักถึงเพียงนี้นางเด็กน่านยังจะไม่ตั้งใจอีกหรือถ้าข้ารู้ว่านางเด็กน่นานไร้การอบรมสั่งสอนถึงเพียงนี้ข้าคงไม่ยอมให้ชิงจือไปหานางอีกแน่ๆให้ไปถูกเยอะยๆถักทางเปล่าๆ เ, เมื่อได้ยินเย่เยาถูกว่าร้ายจนดูแย่ถึงเพียงนั้นหลิงเซินก็ขมวดคิ้วมุ่นแต่เพราะอีกฝ่ายคือมารดาข อ, ของตนเขาจึงพูดอะไรไม่ได้ เขาทำได้เพียงเปลี่ยนหัวข้อหันไปมองเสี่ยชิงจือนางพูดอะไรกับเจ้ากันแน่ยัยเย้ยเจ้าอย่างไรเสี่ยชิงจือก้มตาลงด้วยความเสียใจยังคงเอาแต่ร้องให้ไม่ยอมพูดจาหวังเฟยเองก็เริ่มร้อนใจข้าถามนางตั้งนานแล้วนางก็ไม่ยอมบอกข้าว่านางเด็กตระกูลเย่ น, นั่นต้องพูดจารุนแรงมากแน่ๆไม่อย่างนั้นชิงจือจะเสียใจขนาดนี้หรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนางเด็กนั่นจะตามมาขอพบถึงหน้าประตูทําไม สงสัยจะรู้ตัวว่าทำเกินไปเลยจะมาขอโทษละมัง้งดวงตาของหลินเซินเป็นประกายขึ้นมาทันทีหรือว่าคนที่อยู่หน้าประตูเมื่อครู่จะเป็นเย้เ ย, ยาาจริงๆ